เรื่องอยู่ป่าหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งปรารถนาว่าประชาชนจกยกย่องเราอย่างนี้จึงอยู่ป่าประชาชนก็ยกย่องท่านท่านเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติศิกขาบทไวแล้วเราต้องเอาบัตรปาราชิกหรือหนอจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พรองตรัสว่าภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงอยู่ป่าด้วยปรารถนาว่าจะได้รับคํายกย่องภิกษุใดอยู่ป่าด้วยปรารถนาอย่างนั้นภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฏวงเล็บเรื่องที่สอง